un <tose> ไปอนๆนะต่าจ <vir sig> ้ะใช้เงินได้ต้อร้างราจายปไปไปไปไปไปไปไปไปไไไไไปไปไป เอาแ่นั้นขอเพย่าให้เป็นว้าหน่งห้าพันบาทหืออะไรลอยไปี่เราไปที่อไรด้ตกใหนก็เศร้าก็ได้เออความชื่นใจงั้นงั้นงันกได้แต่จะไเทีระไปแบบนี้มากักัน เรามาเรื่องนะเรื่องเลื่องนมกเร่อใหม่เออเราเรื่องต่างๆเออเ่องต่างๆใหญ่ใสพันเลยเจ็ีกันไปในาองตานและองตลาดแ่ก็อ้ ก็มิควรนิพพานในบุญว่าอันี้ว่าตาสราขิงอจะลัูของต้ตั้งตาาแล้วนใคยดีเรว่าดขาไเลยอแตาเนะอัตมานุปัมตตมา เออมาแมเลยว่าอาเขาผมขอออกไปฟัิใจเลยว่าเขาไม้นอาเปิดไมเชื่อการนยมศัยศาอะไรเป็นภาราติดแตผมมาทดสอบภาษาในเวลของตาผว่ามทางถึงไมาตัดก้นไมรู้เป็นยังครับเช่ัรถคนใช้วันละห้ารรถทินใ้เป็นเชนารเดินกัน มัไหรืองดแคขึ้นอขึ้นะมากเออ่เป็นดานเออหวานเออเออขอแบบเขาเรียกาพูเมาภาษาเลยนะของเรื่องนี้นะเออเออของเรื่องนี้ก็มันรองที่ดีมากเออได้ได้ใระบการธรรมดา ก็ือเขาลิการโวยให้มันปนันต่ใครีริแต่เมื่อสองสามเดือนต่อลูกมาคอสแต่งหนุ่มสาวปานใจของงท่านหนึ่งแม้แต่ผ้าหางอใต้คอัวไหล่ตคอวมาตัูะมกรทหมายถึงว่าฮมาฮ่าาแต่อนี้วก็ ลกก็เดยต้ใจแรงใจใสจากการถวาว่าแม่หัใจเป็อศึกษาพอทำาผในถวายพ่อป่าปล่านยเลยมไอ้เ้าไเ้าเจ้คุณผู้ต้อจถวายพ่อมัจะไม่ย้มาะลูกก็เลยทำค่แคการตามตามใจนักถวามไปบ้านแล้วพ่ถึงสบายใจทำนั้นเลยไม่เน เงี้ยเดนซื้อตวายตนไม้ต้นมือเห็นลก็ยิ้มแยมลูกค่นใจจริงจริงสบายยยิ้มเนาะฮ่าฮ้าฮ่าม่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาา่ แะ้ก็ที่เขาอยากเห็นเอ่อขั้นกาฝันองระเ็อะไรท่นได้เวามีฟงรู้สึกว่าเข้าไปให้องแห่หนึ่งไปเจลูก้าเป็นรัตนาที่หนึ่งว่าท่านพูด้สหรับอร์นีนละคามประกด้วยคสี่คนและถึงจากแมผ่านเพือคนที่ห ต่อไปเป็นพี่ผา้าของหาเป็นพี่ชายเลี้ยงลูก้อ่าลูกก็อยากับศึกษาหาข้วู่ลมาให้เอ็ได้ทํารบ้านใส่ล่าไม่ได้เป็นพ่ออะไรเพื่อารทลูกด้วยไม่ได้เป็นไปทำลำบายข้าแล้วยังต้องการเล่นอะไรเล่นแล่นเล่นใหญ่ๆไม่น่ามีประสบกานณ์กับคนเล่นแต่ที่จะจะจะเล่น ไปร่างการางก็จเป็นแบนอ้แบบนีนีเาเรียกว่ากาแบถ้า็บนก็ใช้คามดูสุดโานสุดสุดสุนะไม่ไม่ไม่ตีคนกงายเย็นมาเลยเออหนึหนร้อยถาเรื่อีเขาดูสั่นมันเป็นยัง ท่านาี้ <łbym Get S 1> s <S ขึ้นหลับขึ้นตื่นท่านแค่นี้เวลาอยากองจริงแต่กระจายเนี่ยสิ่งต่างเดี๋ยวเรื่อเบิเนี่ยอาจจะไป็การร่เดกระจายเนยเล้ยงสิ่งที่ต้องทำต้องสิงที่วันนี้การที่มันมาต้องทำต้องท พี่ก็เห็นใจคร่อ้เราืค่ท่หนงจจุดน้ไอเป็นป้านี่ไอ้เราม่ขาที่นาดางขนาามะรเคถ้าเจ้าการมาเรย่เก้าอดีตาสในสัยนั้นกระดูก่รู้จทำอย่างไรฉัรก็ขอศึกษาครว่่าข้าอานี้จานเสมอให้ ที่เราดูสนทราสมาธาจะมีการทีจะทำมันากผมแหเพื่อใุ้ผู้ใช้เขาเขาจะได้ในาปลอดภัยก็คนสี่สงสัยเป็นทายาทผู้สันเนี่ยเป็นหายเป็นหายอ้ากคือแค่ใช้ระบเดยวก็นแล้วเอ๊ะแม่เด็ดหม่ๆเลยใช้กระดานไม่รำมิสานเจ้าการเรียนขังนหน้าขึ้นหน้าสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เอาอุปกรณ์ที่เรา อะไรก็ไหนาก็ุยอนไมยอรับหมดพระสุก็ไปถานพุทธการก็ตามเราอนุสิตตอนแบบเขะบอกจะบดข้าวจะบดอมเท่ากระถิ่นให้เจ็บรับจะรับไหมตอนกันคืนท้างในมองแบบนั้น่าบอกว่าขช่รับสุขการ์ท่านบอกว่าจะเท่ากระถินให้เจ็ดรับเหยียบาวเป็นอมไมยอนรับว่าน่าอายุมากแ้ตอนแรกแล้วแบบสมัยเก่าไม่รักนะ แค่คนอี้นะ่ามรินกสารนะเพิ่มดกัารมเลยแต่ว่าการอเปนารไม่การจัดการให้มันจัดการเสร็จเลยเราเลยเกไปตวานี้ม่การปดาที่ถามรู้สึกว่าต้องมด้แคหนึ่งเอนอา่าก็ยั้าไปที่านะจะปปาน 好，那老师，接下来我们。 แล้ว่อ้โหไมได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหออ้อออโ้้้้ นอกากปฏิบัติเรื่องเลเยอร์ไรหน้าอกก็แล้วก็อาจจะเปนเพรก็ว่าแกเปนคนที่ผ่านแล้วคือสภาเดินขสภาพขาขาดแต่ผสมใส่ว่าลำโพงนุ่งไยแล้วมาแล้วขาวกลมมาประมาณไหนไม่เจ็บแน่เอ๊ใครเออเออเออตายเออคือพอโตแล้วอันยังอนยังตัดที่พระดูก้มี ก็ตายแล้วเราคนเดิในา็นสาหาดวใช่ไม่นั่นเวาข้อบมีป่าเวดายกตรนี้อ่ะทเ้เวาตั้ยยสหายในสวรรค์ท้มอย่างอ๋อองกบ้บ้ใ่แล้วเขาจะรับ้ ให้ไปหยใจยาวๆโอ้น่าจะให้ยึดกันนะไม่ดต้านอาอาาอาอาอาอาอาอาอาอาาอาอาอาาอาออาอาอาอาอาาอาอาอาอาอาอาออาอาาอาอาอาอาอาาอาอาอาอาอาออาอาาอาอ คนเขากให้้สองคนนั้น ไปมันไปสบยมันก็นั่งลอยมือแม่เราขอแม่ตาย่านะบุญช่วยยวกเกิดมาด่เราาาดีตาปารัก็อ เรื่อวก็ัจจัยไถ่เ้าเห็นก็ไม่เห็นีต่อยาเห็นก็องมองมัจะไม่เห็นเลยกิดกิดไปตลอดใจอยากได้อยากได้ตรงนี้เดานะถ้าใจเห็นก็จะได้เลงแล้วก็ใจว่าไม่เลยคือค้ณจยได้ถ้าคุณได้ก็อินเนอร์เยอะ เอาเวลาจะตายตั้เจ้ากบปิการบางทีไม่ได้ไมได้ไม่้ไม่ได้เอาพตอเอาแม่กอดเย็นก็ถวายเขาไม่ฆ่า้านต่อนเอาที่พระพ่อจอมต่วงเออพระตาดีอาญาโต๊อาจารยเกี่ยวอาจาย่ากี่ยไม่เกี่อแบบนี้ ทำศิษยัไม่ใจก็ให้เสริัเตือนให้มาธิมันไม่เสริตัวนค่อรรดาก็ค่อยๆมันช้าๆไม่ใจก็เนี้ยสักค้งสิบครั้งต่อแล้วก็ต่อข่อต่่ ก็ถ้าใหาดีคนก็ไปทำทานดีมากอาชาติการแบบนี้ไปทำทานให้ดวงพระองค์ลูกเปิดโลกจากต้นต่อไ ใช่ใช่ใชตใช่ใช่อะไรแบบนั้นเราไม่รู้ ไม่ยากอะไรเลยพี่เจมส์ถ้านถ้ามันก็ต่อไปก็มีทางเดียวเออเอาไปแล้วก็ไปไม่เไรนะผมไม่ต่างนะเพราะเขาเป็นคนดีจริงนะอันดีแน่นอนก็ได้อันนี้คือตกตายถ้าไม่ดีมากถ้าเขาตายจริงๆเขาจะเป็นแบบนั้นจะพบแร้ถ้าพบล้ก็ถ้าจิตมันตั้งปิธทางนีทาง จุดเ่าจ่าในไทยก็เลยไม่่น่เป็นผู้ไม่ได้ตนี้เรานก็เอามาเอาไปแต่เราตัดไปเลยนะไปเลยดีมากจนเว่าดีมากถ้าหากว้ทุกคนทีมไปพาามรนใตายแบบนั้นเลยกต้องตดม่ีเลยงไม่เนม่เรียนเลยรก เดาก็ไม่ได้รแล้วไอเล้งได้ออเลย่อห่อเป็กําังใจของลูกลูลกศยของพคนัาไลยทำงานที่ลได้ลกาได้ดู เดินตามเนี่้าอยก็จะไม่ดาไปเป็นะเวนะไม่ดีถ้าไเลี้ยงกเป็นห้กระหมเสรใครไม่พอใรแล้วีอยู่ในเอสิอรไม่รู้ว่าทุกการให้ลกกำลังหลยกำลก่ตามเาับ่เื่อ วนวนที่ทำแล้วมันลายตัวนะได้แล้วแลกกันไปไม่ขายอยู่เลยไม่เป็นไรได้ต้งใช้ติดก็ได้ติดเตอเต๋อไปเลยเนาะติดเต๋อไปไม่จะไรเนาะใช้ไปมันก็แล้ ใช่ใช่เพราะว่าบุญเขาไม่สลายตัวเนาะบุญที่ทำแลคงอยู่าราม่ไม่ไม่ทางทางอยู่ก็แล้วถึงอบาปบาปเยอห้อหนึ่งบเหหนึ่งคนะบาปก็ไม่สลายตัวมีน้อบุญอทบุญ้บาปบาป้ไม่สลายตัว คุณไม่ขาดผลคุ้มค่าในการทันชาติในกรณีต่อไปชาติหน้าทันุากรรมกรทที่เรียกว่าจะมีตน่ะออหาไล่ไม่หายไหน่หไไหน้อยู่ทากน้ก็เรือกะงอยู่คนๆนี่ันงนรตหายไม่ด้่อาต่อไปาต่จมาก่อไมาตไาต่าต่าตไะมาต่อะาพ่อ 他傻<笑>了<啊>，哦，那你得傻，你得傻，你得傻，你得傻，哈哈哈哈哈哈！傻不傻？那那能干吗 salaries? ？绝对能干，哈哈哈哈哈哈！<笑> แต่ว่าเราสมาธองต้อง ในวัดของเราคุณดกวคือพระเจ้าองค์ในคุณบัมเพราะเขาพระโคดมถ้าตามแล้วเด็กคุณดาวก็ปฏิทินเลยเรื่องพระเจ้าเขาต้องเลี้ยงเอง ตาตาเด้นสาก็คือว่าหลวงพ่อทุห้งาเสท่ยตาทีกเกิดมาสามในต้อตายเป็นห่ง็สองตาที่ลกสปสาวก็มันตาสาอีกตามเราเนี้ทำมาจากอะไรเรื่องเราฆ่ต่อไปฆ่ามาขอแล้วก็เมตาแม้ที่จะให้ค็ฆ่าตายตนึ่ไปสอเลยทังนะจี๋ตาเขาไม่หันสืบ เมตตาความรักสุนทรความสงสารเมตาที่ดำเนินในฝ่ายพิาคนะอย้วนะก็ยางยไรงนี้อยาเลี้ยออาี้ก็ตาแต่เรื่นี้รต้องทให้อยู่กับนานนะใ่ไหมใช่ใอรประเทศกูไดารมาตเป็นปริเมืองนี้อยู่โอ้ยยังงงงวยเก่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่ยัน เราดูออ้วคนละลคนลนะ่ราว่าอนีตงะร่ากัไม่่เาัต่างกัตาดี้รนกั